ปีที่แรกออกปฏิบัติที่หลกซื้อทุดงงขามาวันแล้วบลับเมือ่อขันสาประสัน่นขันแขงกันไพรให้เขาเหลืออยู่ในบ้านหลายก็ถือผู้นันบ่งจักประมาณผุนเด้เอากันปีน้องน้ำเข้ม ต้อเลอสมนี่เขาเนี่ยเลีส้สันี่อาหารก็เลสัมพูงมื อ, อบบนี่เทียกระบะให้เลี้าว่าสันขอดบาดไ ม, ม้ขวอมาเข า, าพ่อข้ามันจะไปกินรูปพันรูปนี้เขาาพ่อข่ามมนะไปสันจะเรียกว่าพ่อม่สันขอดบาดเข า, าพ่อข้าไปรูปพันรูปนี้เรียกว่าสันขอดบาด ท, ออที่คู่วาอาจารย์เพิ่งบอกว่าขอดกอ ด, ด, ดจะใคเพิ่งเอามาให้นี่ยมันบอกม่เอาตีพิษขมพิด ขอดเอาขกวอดเอาสันผ้าเขาบอกให้เขามารับหรอก็บอเขามาวัดนะเขาบอกรับเขาจะให้เจ้าขูดเมือเก็๋ยเมื่อเจ้าเหยนเมือนี้เออมาชัดแล้วห้องเขาไม่สงสัยมันยแม่่านบอกเขาบอพอคำจะไปตอบมากินมึนคือชั้นขอดบาตรอันนี้ถือกี่นี่ห้าเนือเมื่อไันเข่าเขาน้าใหม่อีกนอนึงผม ผาเรงมือยชั้นเขาข้าวนึ่งออยก่อนนึงทองีดแล้วชันเขาข้าหนึงหม่มันบบมีบักพริกมันมมีปดเดีอ๋อเพื่อบยันเรียกหวานแถวๆ้องหามันนุ่มยู่ได้อายุขันสามบกว่อมันขันี่สิบหสิบหกสิเ็ดสเลนี่หวานต้องผาว่านาเดือนในกมันมันปี้วฉันเวเวรเมเดียวผ้าหน้าน้อยเดียวมันคิดลงพ วสามืนสี่มื่อยังเปไทยสามหมื่สีมื่ยังเป็ดไทยสามื่อสมืยังเปดไทยหกถอผูกของพ่แหงยังสิหมื่นนี่ยามันขึ้นมากเลยหญ้ามันเว่นมากเออนะเข้าลุงปูมันนีบูผมไปตอกมาชีฟันพกเถ้าหอยครัผมทลาขาวว่าค้าวบอกว่าอยากพ้นทุกข์กุศล ไปตอกใหม่สีฟันพี่ชั้นมันเสียเวลาพี่ั้นยื้น้ำเข้านี่เข้าพระว่าละหน้ามาแล้วบ่าอึดบ่อย อ, อ, อยากที่มาเอาไปใส่นี่สะให้หลดอืมกูชอบเนี่ยไปเห็ดเมะให้เดินอยกผมพ่อวานาเน้ายจะคุณนถ้าไม่เกดีนับถือกันยังหลวงปู่เหนมีนอืมเออน้าเข้มสมัยนั้นอาอยุเกดสิ <c oughs> แล้ว พันาสาทิเกตทไมนั่นพุทธเอาอายุเจ็ิบสองนสเนี่ยพันาทิเกตทำไะแห้งแห้งก็ผมนีสั่แห้งแงก็ผมสหมือนอนกบ็บรซมื่นพุทธเนี่ยมันเว้นทนขามากลหลบางต่บนอน่สิพุทาอ่ะเออดออไปเดินยกกลมนะ จะปไก่มันหลายกุฏีมันอยากนอนท่านพุทว่าเพราะกันเอาไปสั้นขันแขงกันนิดนี้ปีนั้นเพราะสั้นยังขันแรกะเพ่นเพ่นเพ่นเพ่นเพ่นเพนจังขืนนอนจังขืนพักพักบ่หหลับพักบเดียวเท่านั้นเออบ่ห้หลับันหลับกังขืนได้แลยสอโมงนึงได้เลกวนบ่ห้หลับ องหนึ่งส no ัมรถท่านบนอดเก็มือว่าฉันองหนึ่งบนอดเชมือได้เว้ยเอามาหมึกซีมือหาม่าเฉยเฉยผมโมงทุกข์ก็เสาใส่มานตือนเออแต่องผมอดหัวอยู่ผมไปจอบเลยผมเหรอว่าผมบอกออดอกเ็มือว่าเอาแต่สิใดท่าใดไวไว่ สัตว์ได้ซีมือยั่ยงก็หมู่อู่คู่ไปเดียตบ่ออะไรดิบนบ่อักพี่ชนะอีหยังอีพอยมีอมไเอ้ยเหงาหนอนเนี่ยงกงกงกหันงกมีบ้บ่อจักพี่ชนายังหวยบ่ถือกับทาด้วยนี่ว่าสันไรเศ้าส่วนอาหารนั่นทอนออกว่าสันอายุสามสิบสันมือซ้ำกับปั้นนี่นละหา้อมื่ก็บ่มีอาหารจังวามาแล้วนะ จนตลอดออกหอกภามึงมันเบอกว่าฉันเนี่ยมันขึ้นมากบ่ถึงเทียงขึ้นบ่ย่องขึ้นกุตีเลยบ่ตายหอดไฟเลยทกลุ่มโซ่ตายงูกระบามันจังไรบ่บ่ถึงขาตายบ่เยอะบ่เงูกระบาดล้ยเท่ๆงูกระบาดมันเป็นดุงป้าเห็นป้าเห็นไก่ทง ไก่ทองหน้าเขาเขียดบักนามน้อยๆน่ะเต้นผักเผดผักเผดผักเผลงี้นั่นเดินวัดปัตตาไปบุญละว่างตรงตรงถือตรบดอืมอืมไลสมาทานบ่สูบยาัน ทิมเลยบอสุคู่ผสมกับบอสุโรคปลาและพี่จะหน้าพุทโท้โหดนกลุ่มผอมกับเก่าหวัดยางติงบมื่อไงหงจักมัดขาาะท่านเยี่ยมดีกับหงจักขาใส่ ข, า, ส า, ขาคือเอางจักพมมือนกับพุโทโอหติงมื่ไหงจักวัดจิตพี่จะาหน้าในกองจักผอมก้อนวัด ไล่ขามันออกมาพุ่มหมืนกับว่าไปว่าไปมันมาจากไปเลยมันมาเป็นห่วงทัางทออกเนอกอยู่กับอีนี่อย่าบดท่ะอันนี้คิดร่วมในสื่อ ม, มันคิดเขาพระวังคิดเขาพระวังมันต้องอยู่มันเดินอยู่นนมันร่วมใื่อมันร่วมกับมระธานที่ตั้งไปกับไปกลับมาเหนือพี่ชนาอานิจจ์เหลือพี่ชนาทุกครั้ง เห็นในคณะเดียวกันกับผอมขาทกสายทกกขัวคณะจิตพอบปววังหยบพกวดวา่าว่าด้เหยียบขี้ดินเลยคืนว่าอะไรมาพี่แกหน้าตอไงพ่าเที่ยงคื น, นพี่แกหน้าตออะไรบวนาคัดสมาธิไอนางพับเพีย เียบแบบนี้นะ ห, หน้าเปต่มันออกกำหนดลงพร้อมกับอันนี้จังพร้อมกับความเกิดความดับอยู่น้ำกันนะอร่อยรงกระเที่ยวกับทงหมากมองออกคุ่นบ่โอ้อันนีมิดอันนี้ก็่ีคือกันแล้วเพจ่ชนะอะไรมันมันก็นเรยกายเป็นซ่านที่พี่ชนะ ทุกครั้งี่จากอนต่ากัตามกันทั้งพี่แกน่าเพ่งจับลายแล้วมันกลายเป็นช่ามคือการกลายเป็นช่ามคือกัรหูกุฏีหูหมัดทิพนี่ปีนคู่ผสมห น, นึ่งนั่สูบยาะมาเ ม, อ, ม, อ, ม อ, อยู่นี่อันบ้านสูบยานึ่อุปมาคคอสูบยาอยู่ในอันเป่าตะเกียงละอุปมาอัน นใส่ตะเกียบจบพ ย, ยุอ่นเหมาหมยโอ้ยพุทธเ่าพุ่มหมอกพาสูบยมาสุบยานี่ผีบ้าตัวภาวานาะตอบเจ้าของท่านโ ด, โดนกซ้สินาทีหายละหายบานนี่กันทีนะติดต่อกันไปอีก มองคนเอกบาลนี่นกุฏิขาดจางฟังมันพระยืนมาอยู่ยืนกุฏิเล่าแล็กกลายเป็นถังพระยืนพาทั้งข้าพระมาพาทั้งข้าพระตาหอมผ้ายางเรียบถ่ายแบบเบื้องัวาพระเท่ ยังไง ก, ก, ก, ก, ก็ว่าเดี๋ยวนึงว่าจะหาะที่หายท้อไปเลือกไม่ไปอีกปะเดือลรอยกูสิเอนขังลงนอนกันเนาะไร่านอนกับ่มอห้ลรื้มหมให้ลืมอันที่เพง่งอยู่นอนเท่านี้ปอะมานี้ มวดไ่าทีนอนก็บอก็บอกให้มันออกตีต่อกันดูมัดเตมันนวดเตะมันนวดเตะที่ของก้านี่ยเตียงนอนหงพ่อหันกันทั้งเมฆพุ่นเล็บเดียวเตียงที่นอนนี่นะเตียงถุงเทียเตียงฝากพุด โตกวัดพ่อที่สม พ, พ่อนคนโตกวัดพ่อที่สม พ, พ่อนเนี่ยโอกาสกับ พ, พ, พระเหละก็ผมขอโอกาสให้ธรรมะอันไรอันหนึ่งเล็กน้อยเพิน่นก็เลยบอกปาก พวานเท่นนะครับตีนกเ็เยียบพเหยียบเร่งพุ่นโยโยโย่ปินหัวลงมาตีนก็ติดอยู่ตีนนี่ติดแล้วแนเป็นบัดเป็นบาดเป็นบาเป็นบากาวไปพาทั้งข้าเลียบอยู่เท่นที่ปุ๊กลงมาที่ ป, กปก๊ากระเท่ที่กระเทียเอวกรบเเทียง เหลี่ยบๆนี่คือห้ายยางคดินโอากาศพันเลยสารพัดมันที่เป็นไปอันมัน่นนผมผ่านมาแต่พันษาที่หนึ่งพูนมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่หันเป็นของแปลกแค่นั้น มันใท่ไ ด, ดได้่ะอ้องคนพียรษมันใช่ได้อ่ามันปั่นยังอ่าให้ใ น, นบางข้าวหอไปทางนอหนีิทะลุเลยผู้เขา <c oughs> สอดดังปอง <c oughs> บางข้าว เห็นเอาอันนี้สิเพ่นพุนปรกากฏว่ามันมันเป็นน้าวนห้านบาทหนึ่งพุดบาทหนึ่งโท่กับเต้นพอมังเลียบโหล ด, ดทีบดได้ปุ๊ประตกลงขามหนามมหาสมุทรทะเลไปลงกับพยุงลงเป็นเนีเหรเพืน่นพยุงค่อยเบาลงเปลี่ยนเน้คือนุนนี่ เอาเย้าหอกลุมเหวนี่เรื่องมื่อนี้เรื่องอุปจัและสมาธิได้หนิมันเป็นเรื่องเนือื่นได้เหตุฉันค้นพ่อว่าหน้าไปตกคันข้าไปแก้มันบ่ออกเลยคันคนพ่อไปว่าหน้าไปตกคันแล้วแก้บ่ออกเลยเฮ้ยตัวไดตัวเขาบอกพาา่าเราผิดคือเพื่อนเห็นเราเขาเที่ยงในใจเห็นวะเขาบอกร่ำลุ่งยังไงเขาเห็นโทษนะฮันเขาจังว่างไรวันพูดแล้วเขาเห็นโทษเนะี่ยอะไรกลายเป็นบ้าวเลยละเรื่องเนี่ย มองสัตว์เอาหลดว่เออยิ้มมายิ้มเมียนยิ้มผลจได้ไงถ้าเทียหอคือไปทั้งอากาศตีร่างกาปีหนึ่งบู๊มวนนำนิมิตในบ้านหอตีร่างกาวนวนวนวอยู่เทิงเดินุกกรม่เท่ยอากาศผอีกนอนตะแคงขวเท่ยอากาศผนอีก เราผัดมันสิเป็นไปปีนค่วมปีนง า, นายโลดโพนนี่แท้ได้ซ้ำนั่นละ อ, อ, อำนาจของอุปจารสมาธิสู้พี่จ้าน่าอันนีจังทุกครั้งอนัตตาบ่ได้สู้พี่จ้าน่าแงะแงะบ่ได้ได้ปัญญาอันนี้และเฮ่ากับสิ้นความสงสยัยไปเป็นต้นตอน อันนั้นได้ลดได้สาสต์สำหนักต้องแงกแงะออกผุขันพี่แกหน้ากายก็ไดแงกผมแงกขนแงกเล็บแงกฟันแงกออกเป็นถาดที่ดินน้าแไฟ่ร่มแงกแงะออกซับซ้อยออกหยกสู อันนี้จังทุกครั้งอาณตจารย์อมกับร่มเข่าร่มออกก็ดีหรือผอมกันกับแยกเนี้ยถ้ากลัวรักก่ายก็ดีอที่นี่ลูกกระจิงยุ่พ่อลูกเวทนากระจิงยุ่พ่อเวทนาสัญญากระจิงยุ่พ่อสัญญาข่วมจําสังขานกรจริงยุ่พ่อสั้งขานวิญญาณกระจิงยุ่พ่อวิญญาณท่าไในเล่ยว่ามันไผเป็นไผ่ให้สิ่งมือนั่นลูกก็ว่าได้เป็น ไพ่กับเวทนาเวทนา้ากมไ่ได้เป็นไพ่กับสัญญาทั้งขาวิญญาณตางคนตางเป็นจริงในทางเกิดทั้งรับทั้งแป๋ทาง้ทางป่วนของพลอของมันอยู่จังสัตที่สู่แนวนี้บพราไรหรือสิพีจะหนา้าหน่อยเขามากก็นัน่ในห ใ, ออให้เห็นพ่อมอยกบลมหายใจเข่าออกให้เห็นพ่อมอยกขนาดจิต เห็นตามจริงว่าโมเมนสัสม่มเมนบุคคลผอมอยุ่คณากิจเป็นที่สักว่าลูเป็นที่สักว่าเห็นอยู่งสัอันนี้ในกาลังอันนี้ในกําลังคิดใจและหายค่วสงสัยอีกด้วยหายค่วสงสัยในปัญหาทั้งหลายที่สิมาสอดแทรกเข้าหายเห้าบวก ควบสงสัยในพระพุทธศาสนาบวกขย่่าสงสัยในศาสตร์ในภพบ่บมีอันนี้อันนี้ดีอันนี้ น, นิสัยข้าผมอะ่ะนิสัยข้าวมูจักทิ่เป็นยังไงมันไปตามนิสัยของพายของมันแล้วข้ามีควมประสงค์ยั้งเป็นเจ้าหัวใจข้าต้องถามข้า ตอบห่อให้มันได้เล่าเป็นกรรมฐานหรือกรรมฐานก็ตอบห่อให้มันได้เราประพฤติพบมาจย์เพื่อล่วงโลกพ่อได้กินได้ขีไปทั้ท่าตายบอกว่าก็ให้ตอบห่อได้ หรือว่าเป็นจ้าสัตวก็ให้ตอบพ่าได้ข้าวค่ายคั่วปฏิบัติจากพระพระธธรรมประสงค์ยังไงก็ให้ตอบพ่าได้ข้าว่าค่ายยังไงก็ให้ตอบพ่าได้มันค่ายค่ายด้วยวิธีไหนก็นให้ตอบพ่อได้มันว่าค่ายว่าค่ายด้วยวิธีไหนก็นให้ตอบพ่อได้ขันว่าเขามหาปฏิบัติแล้วมันว่าไม่ลายได้ ทันเว่าน้ำปริญญาท่านก็ป ร, นประเมแล้วเมื่อเปลี่ยนเนี่เพราะมันมีหลายกันเขาว่ามาหาปฏิบัติล้ว่ยก็บกรรมฐ า, านทอ้งไฟเคยพิจนาเนี่ยก็ต้องพิจนาติดต่อกันภาพวิตร์ฟรองริคาตาอยู่จังสัตย์เฮต้มันมาก ที่ห้าฟั่งนะโยบายร้ายๆเพื่อห้าเดินทางไปพ่อห้าวเซียวบ่ได้สงสัยวาจังสันชื่อดอกการเทศมันเทศล่วงหนาปฏิบัติบ่ถึงกับนเีเทศบรรเทอปฏิบัติถึงมาแล้วลวงมาแล้วกม็มีถึงจังไรก็จ า, ามวดาวดไพวาดมั่นห่างแเหวนกกดห้เาเคยได้ย่อนกรรมฐานอันไหนสิ่งความสงสัยย่อนกรรมฐานอันไหน กิเลสมันเบาหย่อนกรรมฐานเนี่อมันบ่มารบกวนด้วยกรรมฐานอะไรเฮาก็ต้องเอาของเฮาหันคือกินเขาคือกันเห็นเพลินอิ่มง่ายก็ไปอิ่มง่ายน้ำเพลินเห็นเพลินนานอิ่มก็ไปนําอิ่มน้ำเพลนมันกรบวถึกเขากินพ่อท่อใดซําไหนมันจังพวน่าไดข่วงเฮานังท่อใดเฮาน อ, นอนท่อใด เข้าปฏิบัติชําหนเขาจังไหนค่วมมพ่อวนหน้าห้องเข้าจังเป็นทีเยือกเหย็นจิตท้องเข้าก็จับเจ้าของให้มันไหนเพื่อที่เดวออกใส่ดิ่มอจึสหน้ย่ไหวแต่ละอย่างลยอย่าง ที่พระพุทธเจ่าทรงสั่งสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ทรงสั่งสอนไว้มันก็เป็นเรื่องคัดเก่ากิเลสทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อห้าพลิกใส่เ่าเป็นมันถึงห่อนอมไปทั้งบรมยนมาถึงเป็นเครื่องบำรุงกิเลสคื อ, อวัดใหญ่ซีกีวอนบินถาดรเสนาธนะมันมีหน่อยมีหลายกับเพื่อมาปฏิบัติเพื่อบรนเทากิเลสเท่าทนั้นมีความหมายเท่านั้น พันว่ามันว่บันเท่าเคเด็ดมีหลายกับว่าเป็นประโยชน์มิน้อยก็บว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ก็เผ่าแต่มันเป็นประโยชน์ก็เพื่นก็เพิ่นก็ผู้เพิ่นได้มัเป็นกับประโยชน์ก็เผ่าหวังทนทุกเป็นเจ้าหัวใจของเผ่าอยู่ หวังสิหวังกับไผหวังกับสติปัญญาของเฮ่านี่ลหละเท่าที่เฮ่าพี่แกนหน้าได้กับผู้อื่นเพิ่นกันแน่นํ่งพร้อมสอนครูบาอาจารย์ก็ได้หรือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเพเป็นเพ่เพียงว่าชี้ทางให้ท่านั้นสี่จนมือขาดกันฮั่นปฏิบัติสามกับเท่าเก้านละ ท่านที่เอาแท้ๆโลกอันนี้ ม, มนันวิวันเพิงขันว่าเพิงวันลดรุดผลท้งองเฮามันอบนเพลิงเป็นกระสีเข้ามารุดผลรุดผลจากความสงสัยนั่นเป็นรุดผลชนิดนึ่งรุดผลจากกิเลสไปเ่อะไรเรียกกระหน่อยบวกลับคืนอันนั่นก็เป็นรุดผลอันนึง่งรุดผลโดยองคซ่าน หรือกำลังพี่กนหน้าอยู่มันรุดมันพลไป ม, มันเป็นชี้หน้าทับยาอันนั้นกับเป็นรุดพลอันหนึง่งเมนจังไดก็ยังดีก็ห้ามบ่เฮ็ดบ่ชทำอยู่ดีก็สิทธานอนตายให้เขาเหยียบย่ำท่าเดี๋ยวนับสิบปลุกเพ่อลุกก็ลุกสู้เหยบนับสิบปลุกปลเอา ว่ายังมีเทวปุริสูเป็นผู้ท้ายภาคเพี้ยนล่ำไปเพี้ยนไ่อยากมาเกิดไ่อยากมาแก่บม่อยากมาเก็บโบ่อยากมาตายในวัทสงสารอันนี้พอเห็นชัดแล้วบายไัยตัวได้ กิดแก่เก็บตายก็เห็นเต็มภู่มนิยมควัดผักก็เห็นเต็มพูม่มข้อมปาถนกาก็เห็นสมวังก็เห็นเต็มพูม่มควอมลุกค้บโกรธควอมหลงที่มีในคันทะสันดานก็เห็นเต็มพูมมมม่ ม, ด ม, มได้ประโยชน์ยิ่งแน่ว่าได้ประโยชน์ยิ่งแน่ก็เห็นเต็มภู่ม ยักไ์ใหญ่ไผ่ตัวไผ่ตัวบ่ออะไรเห็นนํากัมทุกคนหอมมีอยู่ทุกคนนี่ผู้พ่นพ่นไปแล้วกับตัวพ่นบ่ออะไรพ่นกับพ่นอีริผู้พหันพ่นกับทีมาตัวกับบ่ออะไรกับบ่อพ่นอีริเด้หมอง ส, สันตัวทังไหนตัวกับตัวเจ้าของห้องเก่านัแล้วห้องเจ้าของของจักจูุ มันหน่อยลงมาแล้วมันบ่ลายมันหน่อยลงมาแล้วปัญหาของมูหเองาหน่อยลงมาแล้วขนวันทวีจะน่าซัดแล้วว่มีแนวใดพ่อสิมาเป็นเจ้าห้อยใจใไดพ่อสิโลกเอ่ยน้ำ ออกจากค่วมตะเกียกตะกายผลจากวัตาทองสารา น, น, นะจะมาเป็นเจ้าขัวใจของเฮาบอไดม่าบวชเล่นบอเดม่าทาทาแบบกดผ้ายมุ่งล่วงโลก่อได้กินขน้มเข า, เาต้องการผลทุกในวัตาทองสารต้องการชนะค่วมโลกโกดลงของตูวอิลีบอ่ดม่าแต่ปาก มีความบคับของต้องขามยังสั่นอีหลีขันว่าเจ้ปากซื้อกับตัวเจ้าของ้ตัวเจ้าของก็ตัวผู้อื่นอีกคือกันแค้แหละบาปสองสัน่นบาปตัวเจ้าของอีกบาปตัวผู้อื่นอีกเขามีความประสงค์ถนันความประสงค์อนไอื่นเขากับบริมีพอสมากเป็นเจ้าหอยไก ขันห้าวว่าเห็นโทษว่ากามเกิดเป็นทุกข์พ่ก็ต้องเหลื่อมสายก้เกิดอยู่ขันห่าว่าเห็นโทษว่าว้มแก่เป็นทุกข์ก็ยังเหลื่อมสายกแก่อยู่ขันาว่าเห็นโทษว่ า, วามกมเก็บเป็นทุกข์พ่ ก, ก็เหลื่อมสายก้เก็บอยู่กมตายก็นในใคือใอันนี้คือกานว่ดซึ่งใดเห็นโทษว่าพ่อซึ่งนั่นก็เป็นว่าไ้ ใครที่มาบังคับก็บับงคับนคนท่าต้องผ่านโทษสะกดจังสิงเคลาบในโทษผ่านแกจังศิเข็หลับในแกผ่านเก็บจังสิเ็ดหลับในเก็บผ่านตายจังศิงเก็บหลับเ็ดหลับในตายผ่านหลภผ่านโกรธผ่านหลงสะกดจังสิงเ็ดหลบับในหลบในโกรธในหลง มันต้องเดี๋ยวพนเมื่ดี๋ยวพันทั้งพี่แกนหน้าเมืพระพุทธศาสานาต้องการให้พี่แก น, นาเมื่อต้องการให้อนุโมทา น, นาโดยพระท่านในพี่แก น, นาเมื่อต้องการให้คัดค้านโดยพระท่านในพี่แกนานิานสชมะก็ได้ั่งเสยโย ไข่วรเชือกอนจึงทำเสียเลยดีกลัววัชจจขาสิทธิไม่เห็นในตนเองลดของสมาธิก็ดีลดของอภิชนาวกวาดีมันเป็นลดจังไรสมาธิที่เข้าไปแบบใดกับมีลดศาสตร์อันเดียวกันอภิชนาที่เข้าไปแบบใดกับมีรดศาสตร์อันเดียวกันมันคนละลดระศาตร ควบบรูท่อถึงการควมนอนใจในวัฏสงสารก็เป็นรสชาติอันเดียวกันมดขันธว่าจําพวกนอนใจจําพวกบอนอนใจก็เป็นรสชาติอันเดียวกันมดไม่ได้แปะพวกที่รุดพ้นไปแล้วเป็นรสชาติอันเดียวกันมดพวกที่พรท่านรุดพ้นก็เป็นรสชาติอันเดียวกันมดแต่ว่าห่าไม่หลายระดับ บรุษผลนขันใดขันโล ก, กี่หรือขันโลกกุตระสันใดแต่ห่างมีหลายสันแต่ว่ า, ตาแต่ละสันนั้นสันห่างไม่ลดสาต์อันเดียวกนรมดขันพาไปเท้งหา่าอของสันอรรถวจีสังขารหมอบไปท่าได้ก็เกิดดับเท่านั้นจิตตาสังขารนึกไปท่านได้ก็เกิดดับเท่านั้น แปลป่วนเท่านั้นดับไปเท่านั้นอายตนะไพ่หนะภาย่ในเกิดดับเสมอการมดแปลปวนเสมอการมดเมทนาสัญญาสังขารมีญาณเกิดดับเสมอการมดแปลปวนเสมอการมดเป็นอนิจจังเสมอการมดเหมือนนากองไส้เป็นทุกขังเสมอการมดเหมือนนากรงไส้อันเป็นอันใหม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สมัยก่อนมันมันหนากอรไส้ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยทั้งไกลด้วยทั้งไกลด้วยทั้งประนีดด้วยทั้งงาบด้วยทั้งละเอียดด้วยทั้งสุกคุมด้วยสุกคุมก็ประนีดก็ทิมีข้อไม้อันเดียวกันนันที่ละเอียดกับยาบก็ทิมีข้อไม้อันเดียวกันทันที่อันละเอียดกับประนีดนะหั่นนำของกอยๆดอกอย่างพวกขับ เข้าวบรรยัตละเอียดบางเข้าวบรรยัตประหิตก็เลยว า, ออาหลายข่วมเพื่อมให้มันยังย่งนี่สือมให้ยั่างขมบ่สือพอเม่เข้าไปใช้เบ็ดผู้ตายกับมีผู้ย่งก็มีปู้ยาตาถวดเข้าไปใช้เมดน้ำสกุลท่อไปแล้วแตกสลายไปแล้ว จะทันไปยื้อจังไเหากับภาษาหมาลูได้เหาก็เหมือนกันหอกกแ๊่แกะมันยื้อน้ำกาของเจ้าของเท่านั้นแหะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวมันนี่น้ของกเจ้าของเพราะยังขามกาแล้วผลของกำเจ้าของไม่ได้พรายังมีอุปทานอยู่ ภายนานว่ามันผู้หผู้ว่มันนานผู้หลูตั้งหากภิพในานตั้งหากผู้ท่วงว่ากะติกน้ำว่ามันกะติกน้ำกะติกน้าตั้งหากผู้ทวงว่าบอกโคบกใหว่ามันบกโบกหบกโคบกใหตั้งหากผู้ท่วงว่าอากาศกับว่าม็นอากาศอากาศตั้งหาก มันบ่ท่องอากาศมีอยู่บ่มีอยู่มันบ่ท่องพาะนิพานพานพระนิพพานมีอยู่มีอยู่แต่หังบ่มีอยู่ในคันท่าสันดานตุประตูพระท่านถึงมีเป็นธรรมชาติเยอะพี่เจนน้านอกน้องทาน ด, ดินก็ให้มันเป็นดินเสมอนากองไส้ จฟาวไมออื่นมาแซงทันพีเจ้าน่าต้องให้เป็นธาตุน้็ให้เป็นธาตุน้ำมดเสมอหนาของส้เบื้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทันทีเจ้น่าธาตุลมก็คือกันให้เป็นลมมืดเอื้อตดพี่เจ้าน่าคว่ตายวะแต่ให้มันเป็นตายมดเอื้อตดเสมอหนาของไส้แ่ให้มันไม่ตายหน่อยตายใตายไข่ตายหนาวลายอ่านลายเออ พี่แกนี่หน้าอนนี้จังว่าทั้งไกมันเสมอหน้ากองไส้เมื่ทอทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันพี่แกหน้ากองทุกข์ายมันทุกเมื่ทอทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งไก่ทั้งไก่พี่แกหน้าอนาอันว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลตัวตนเล่าเขาเป็นสวะธาตุและธรรมวัาคันก็ขายมันเสมอหน้ากองไส้เมื่อ พี่จนาเปือยหน้าเน่ า, น า, นาสิกตให้มันเสมอหน้าของไส้เมืทั้งอดีตแต่นาคตพี่จะหน้าโคตตาย่ให้มันเป็นเสมอหน้ากองใส้มือทั้งอดีตแต่หน้าคตในปัจจุบันมันจังบอกข่าบดมาแซงมันจังบอสงสัยหาุ่นกับวใส่ไงเอออยากใส่ยามไหนอะของจักบนว่างมันของบุญจักบนว่างมันใส่ยากหายกับนั่น เมื่อท่านกับเวลาสีเจนามักพระนิพพานมักผลนิพพานกันเสมอขนากกองไส้มืดว่ามียิงมียอนฝากผู้ลูไปแล้วสิมอาบัญญัติเอาผู้ลูเป็นพระนิพพานพระนิพนพานเป็นผู้ลูกมันก็เป็นทิฏฐิบัญญัติ มันเขาค้างตัวบ่อแมนว่าถือผู้ลู่ถ้าลู่ดีรู้สอบในสั้นต้นก็ลู่ดีรู้สอบในทางปฏิบัติผู้ลู่ในสั้นปลายก็ลูว่ารู่ว่าผลผู้ลูของมันพานี่พาดมันพาดมาเป็นผู้ลู่ผู้ลู่มันม่พานี่พาน ถึงสีรู่สอบปณิสกับผมเป็นพระนิพพานพระนิพพานาตั้งหกักญาณวิมุมดสัมมาญาณะรู่สอบญาณอันนั้นเป็นพระนิพพานบ่าบอ งานกัยังว่ายานพันิพานก็ยังว่าพันิพาณลินกันยังว่าลินรถก็ยังว่ารดล ด, ลดบ่มันมลินลินบ่ามั น, fit, น, มนมลถผู้หลูพันิพานว่าเป็นพันิพานพันิพานต่างหากผู้หลูว่าเป็นทุกข์กับว่าเป็นทุกข์ทุกต่างหาก ผู้หลัว่าจิตกว่ามันจิตจิตต่างหากผู้หลัว่าธรรมกลบว่ามันธรรมธรรมต่างหากถ้าพหัรุดผลผู้หลัวา่าธรรมมันธรรมไฟปฏิบัติธรรมไฟรุดผลมีต่างหาก สลดัดคลืนเมดสลัสลดัดคลืนเม็ดขั้นเข้าไปเป็นเจ้าเป็นจอมแท่งแทงอย่างนใดวนหันก็เป็นทราบเป็นพบเผยบ อ, อกเแก้วปวดกำนัดย์ยิ่ในผู้ลูกผู้ลูกก็เป็นทราบก็กลายเป็นทราบเป็นพบเป็นอวิชชา ต, ตันหาอุปท า, านคือการบุธรรมะสันสูงเพิ่ม ถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตถือว่าอนาคตเป็นตนตปนอนาคตเทือกภูรูเป็นตนตนเป็นผู้รูถือว่าตนเป็นใจใจเป็นตนถือว่าตนเป็นถ้ำถ้ำเป็นตนอันมั่นนี่มีแต่อุปทานทั้งนั้นถือว่าเปตนเป็นศูนย์ศูนย์เป็นตนธรรมสัตนสูงนี่ธรรมสัตนนิพพัชนาสัตน์สูงนี่เมื่อมันสัตว์สมาธิ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 คันวัซกับวัฒนคุ้มงโงยังเป็นอวิชชาอยู่ยังเป็นตัณหายังเป็นวัตจักรอยู่ยังเป็นอนันตลาปัจจัยอยู่ยังปฏิสนธิอยู่พอเป็นปฏิปฏิสนธิอยู่ในภูรูดิแตจัดเป็นศาสตร์เป็นภพคือกันนี่ธรรมะละเอียดนี่ คนเห่าขันมาหวงผู้ลูกขัมีผู้มาตองผู้ลูกมันผู้ลูกนั่นมันกระิเป็นพิษธรรมะสันสูงเหตุในสันพระพุทธเจ้าจึงละอ่าที่ไปสอนซัท์ทั้งหลายว่าทรละเอียดมาก<ป>ละอ่าสางบามีมาแล้วกระกเดียกยังมาับมาละอ่าอยู่พอเป็นธรรมเนียมของมนุษย ยาเถิดเอ๊ะดอกบัวใกล้สีบานก็มีอยอะเอ๊ะซุ้มดอกที่งแตงหนามก็แล้วไปเอ๊ะซุ้มดอกสนเหมือหนามไม่อยู่มุคติตันย่วิปติจันรู้เนยยะปะทะปาะมะซุมปะทปะปารมะซุมมีบทเป็นอย่างยิ่งจําเป็นหมาะไปก้อกมและผลข้อกำซุ้มอุคติตันย่พอยกข้อค อ, อ, อขึ้นแสดงก็จะเข้าใจคือดอกบัวตุูม บอกวิบาลแล้วมีปฏิจจันยุ่นพ่อแนะนำได้คือดอกบัวเสมอน้าเนยยะขอผู้พ่อแนะนำได้ ม, มดิปฏิจจันยุ่นนี่ยกคอขอึอ้นแล้วอธิบาย เข้าใจเนื้อยะกิตติตัณยูวิปติจัณยูเนื้อยะพ่อแนะนำได้ปะทะประมามะมีบทเป็นยางยิ่งมีบทไม่บาดเทียบหน่อยเทียบไงมุกมากคือดอกบวัวใจหนาวชัดทั้งหลายสังบารมีมาบอคือกันผู้ใกล้สีพนไปแล้วก็มีดอกบัวกใกล้สีบานก็มีเราพูดจจ่าจังในประเทศสร้างซอน จะเป็นธรรมเนียมของเพื่นก็ต้องละอาจังสันสะกอนมีภูมิมอาราชนาเหล่ามูฮอเกิดมาหนี่อยู่ในสังคมมูฮอผู้ได้สางบารามีมาหน้านเหล่าก็มีส่วนบวก่อนบวชหลังในศาสตร์นี้เรต้องเอามามาวา่าบางท่านท่านสาหน่อยก็คเคยได้บวชมาแล้วเคยได้อบรมมาแล้วแต่ศาตรก่อนบารามีบางมาแล้วก็มี บางท่านก็นยิ่งพันช้าหลายยิ่งปฏิบัติมานานก็นยิ่งเนี่ยอบรมมาแต่ศาตร์ก่อนนานก็นมีบางท่านกับพันช้าไลาซื่อในศาสตร์นี่ฮอกวิ่งมากฮวมมาพอกอาจเป็นได้แต่ว่าถอดใจข่วมต้องเคยได้สร้างบา ร, รมีมานานสมควรจึงเนียมาโซเปลี่ยนโซตายถึงเพียงนี้ ไพ่ๆกันอะไเวลากขาหน่อยเขาหน่อยเขาแล้ววันหนึ่งคืนนึงแล้วจะฝันเวลาออกจังไรมีที่สมองกลายเป็นเรื่องของเฮาไมีอิจฉะ ท่วมทอด้อยกับแม่นิสระของเฮาถอยกับแม่นิสระของเฮาไม่มีผู้ใดบังคับใดเขามีอิสระอย่างเต็มทีแล้วเดียวแต่ว่าเขาสี่เอาอิสระทางทอดอ้วยหรือเอาอิสลาทางบ่ถอด้วยขนาดเดียวเป็นค้องทิพ สีไปทั้งพิษกัเป็นของทิพย์จะให้ผลต่างกันสีไปทั้งถือกัเป็นของทิพย์เรามีอิสระทั้งนั้นแล้วเสิเอาอิสระอันใดเราก็มีเลือกได้เราเอาสิเอาทั้งถือหรือทั้งพิษเป็นที่เพิงของหองเห่าก็เลือกได้ พระเทพเทศนาโย ก, กขี่ก็มีพระเทพเทศนาโยปากก็มีพระเทพเทศถ้ า, าเท ศ, าาเทศนาโยแขวยโย ก, กผงแก้มก็มียาเขาโยนะคือหากมานี่ปนกับน้าลายนี่มาหั่นในกุลแต่โยกงแก้มถ้ า, มาเทศนาอันนี้ถ้ า, าเทศนาพวกไฟไปฏิกูลนี่ ปากเคี้ยวเล็กๆอ้าออกมาให้เบิง้งลักษณะมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาะกินเข้าไปแล้วไปปะปนกันอยู่ทังอาหารใหม่อาหารเกาอย่านี้นกเพาะกินมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงคื อ, อยางมักสร้างเมือ่อมันหยด อ, ออกมาแล้ว ออกมาตามคุ้มค้นคุ้มผมออกมาดังเรียกว่าขีหมู่ออกมาทั้งหูเป็นไข่เรียกว่าขีหูออกมาทังตาเรียกว่าน้ำตาและขีตาออกมาคุ้มค้นคุ้มผมเรียกว่าน้ำเหือน้าไข่โมนี่มีได้ธรรมเทศนาทั้งนั้น ออกทั้งทวานนักทวานเบาเหลียวพัสสวะอุจจา ะ, ะนี่ก็มี้เ้ธรรมเทศนาทั้งนั้นแก้มตอบฟันหักมนี่กับธรรมเทศนาทั้งนั้นความหนาวก็เป็นธรรมเทศนาทั้งนั้นพอได้ทุกข์ังหัผ่ามาหมมาสบายกายใจปรากฏอยย่ ใหยปรากฏรูอยู่รูอยูย่หอดนะฮะอาบน้ำนะฮะเข่าโฮมนะฮะพัดลมมู้นี่เป็นธรรมเทศนาปวดอุจจะก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดเท่กันจังไปปวดปัสสาวะก็เป็นธรรมเทศนาพราะมันปวดเท่ากนมันจังไป หายใจเขาออกกลาเป็นธรรมเทศนาะเพราะมันบรรเท่าทุกข์มันพอหายมันจะตายชีพพระจอนร์เดินตึงๆึติงติงต้ ง, งอย่างนี้นตกนละกายกเป็นธรรมเทศนาะขันบระเดินกะต้องตายตามสมมุติส่วนชิ้นธรรมวันดีตายไปใช้ไปปฏิบัติเดาได้กะซ้ำนั่นละ ขนตะระเสศนงอกออกบนสกกระที่ลมผาบนลมผามันสกกรกมันได้กินได้ไข่สกกระโปมันก็นเลยง่ามอุปมาเืยหงาเกิกองขี้คล้ยคควยทั้งหัวไอมันฟุ้งขึ้นพุนไอควบปวยควมบนาวมันตีขึ้นทั้งเทิงผุนมันก็นอยู่นอกงอกง่ามด้วยนาวเงื่อนา่าไข้ด้วยอาหารที่เฮา ลืมลงไปสอบของเนียวของเหม็นของลงไปในท่อของเห่ามันต้องเปือ่อยต้องย่อยออกมาตะกอนจึงเป็นที่เร่ยงร่างกายพอยุ ป, ประทังประทังไปลมหาลมเลอะลมไอลมจามกินของมันเป็นยังไง ต้องหายใจออกกินของมันเป็นยังไงต้องหายใส่กัดบึงดูหาออกทสปากสิมึงดูกินมันติเป็นยังไงนี่จะทำมาเทศนาทั้งนั้นจิตสิร่วมมาร่วมกระซังคอยพี่เจ้าน่า น, นืองเนอเทิดธรรมาหาคาถาปะข้าพระเจ้าจัไม่เอาสติออกจากกายจะพิจารณ า, าล่างกายเป็นอารมณ์นี่ขอนึง คอห่ข้าพระเจ้าจะมีความเก่งไกที่สุดเมื่อเข้าไปในมูอสงสิ่งที่ทําตนเป็นคนใหม่สเมสเมอเสมอคอนึงอีกเป็ยังนอคอหนึ่งจะเข้ารบสงที่สุดเมื่อในเข้าไปในมูอสง ขอหนึ่งจะไม่ชูง้ง่วงเขาไปสู้ตระกูลคื อ, อ, อประธานขอหนี้บุคัลกันบัตถือขออภัยชู้เมินคับนี่โอวาดชามขอสนัดโพขาดพระองค์เจ้าไดยให้บวชเดี๋ยวพระมหากคปถาบวชโดยโอวาดชามขอพิมูมมันญติจัจตุตตกรร ม, มาว่าจ่ามมันเองีพิคุปสัมป่า มรรติเสนณาคำวอุปธรรมปธาองค์ได้อยอมให้บวชมหากคาถะตั้งไว้ที่ตั้งไว้เนื้อพราะอานุติอีกตั้งไว้เป็นที่สองที่สามของพโมคะลาสาลิบุตร เหตุแหงสันทุดทุนล่าพิกซุนี่ไปประมาทเพลินเพลินยังอ้างอันนี้คือเนี่ยพระองค์ก็ตั้งลาไว้ในสันที่สองแล้วพอพระมห์ที่สองที่สามของพระมหากัรของพระสารีบุตรก็หกขาน่าเลยพระอนุนยังเป็นที่สุดท้ายของพระมหากัรตาปล้องมาเป็นลําดับคุณวุฒิพราะนั่ง ทุตนลานไปเทศน่างพิกษุนีพระมหาคัตปาไปเทศน่างพิชซุนี้นั่งพิกษุณีทุตุนลานปรปะมาณพระมหาคัตปะวา่าบังคายบักมวงให้ชาร้าส่วนเป็นคนหน้นาคนตาพระอา น, นุนนา่งแลว้ววบัต อิ้งเกงใดให้พี่แก่น่าให้นักทั้งพี่แก่น่าขันห้านักทั้งพี่แก่น่าล่ะทั้งผาดกัว่าทังเก้าหัวตี่ดินซึ่งใดห้าวเลยพี่แก่น่ากันผาดมอมีประตูแกะมองมาของผ่ายนอกภายในด่านภาวนาสมถะ h a ก็เหมือนกันด่านภาวนายปัชชนาก็เหมือนกันด่านเกี่ยวกับสีลวัดก็เหมือนกัน กิเลสอันเดียวเที่ยวสองสารเียว่าบแล้วพุ่มหลงอันเดียวเที่ยวสองสารเยรรบบรียว่าบแล้วขันบัหลงกับ่ัเที่ยวขันบัหลงมาเกิดกับบัวได้เกิดพรมันหลงมามันยังว่าเกิดดีอยู่ ขันเห็นไผ่ในเกิดอย่างเต็มทีเด้ยมันธีมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในแก่อย่างเต็มทีเด้อมันธีมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในเก็บอย่างเต็มทีเด้อมันธีมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในตายอย่างเต็มทีมันธีมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในหลบในโกดในหลงอย่างเต็มทีเด่ยขันนี่มันจะเอาพือเอาพันมาจะใช้ อันนี้ที่เป็นขปูกมันสิ่งนี้มันมอเห็นไผ่เสห้มันเว้นมันก็ะพกเพาะใจเว้นแล้วมันก็นยังว่ามันเสีบอยู่ดีส่วนเห็นว่าเห็นเสห์ไผ่มาเห็นไผ่ขันพญายกิตตลาดว่าเห็นเองขันสติ ป, ปัญญาว่าเห็นเองอื คำว่าสาดมันปิดบังนะครับเขากับว่าพ่อสืบตามเห็นคำว่าแก้เก็บตายปิดบังเขากับว่าพ่อสืบตามเห็นคำว่าข่มเปื่อยข่มเน่ามันปิดบังด้ว่วะท่านเข้ากับวสาซาสปาติพี่ยังน่าเปื่อยเน่าไลยมันบาปิดบาบังที่คำว่ามันปิดมันบังเข้าขีดออกมากไม่ใช่มาเหม็นเทะมันช่มาหอมท่น ถือเป็นของธรรมดาห่างเป็นธรรมดาเหม็นนี่ทิวังเล้บ่เป็นธรรมดาหอมนี้เขาเกิดมาแก่เก็บตายมันก็เป็นของธรรมดาแน่ก็ธรรมดาทุกข์นี่พ้นจากความหลงไปแล้วมันเป็นธรรมดาสุขขั้นี่ งานพวได้หลายเซนก็งานของกิเลสงานของความสงสัยแล้วมันหลายผู้พนวิ่งกิเลสพ้นทีมีงานนิยังพ้นเหู่จดมือกับว่าเป็นงานพ้นทีเยุวัดมือกับว่าเป็นงานพ้นทียางมัดมือกับว่าเป็นงานของมาแล้วมาแล้วเพินมี่ตะคำทวบอกหลนหวฮาบนีทีกิเลสพน้ายื่นที น้ำจองขันทวีบากนั่ที่กิเลสน้ำห่วงน้ำห่วงน้ำห่วงอยู่ในนี้คันที่ว่าพื้นม่านขาสองแขนสอ ง, สองหัวหนึ่งเลยเป็นม่านม่านแก่ม่านเก็บม่านตายมันเป็นม่านไผ่มันก็เป็นม่านม่นนั่นแหละคันว่าเห่าบมัมมีอยู่ในหันก็ะเดีย ว, ว่ามันเป็นม่านม่าน ขันธม่านม่านคือปัญจขันธ์กิเลสม่านม่านคือกิเลสอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารอภิสังขารมี3ปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเน็ชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเน็นชา สัตวทั้งหลายไปทิศยุหันแหละขามพบขามสะอาดว่าได้เพราะสิ่งเหล่านี่ยังเกิดแปรปวนได้ละไปอยู่เดียังมาหันแม่นของกิงงบนไหนนัดยุหม่านม่านคือมรณนะควมตายก็เป็นม่านอันนึงมันเป็นม่านยังมันก็เป็นม่านกับควมตายหัน ผู้ใดเป็นผู้ใดรับม่านควมตายก็ผู้ตายเท้รับม่า น, าตาตาานแต่ว่าม่านทั้งหลายกิลเลสม่านเป็นตัวสำคัญขันธนะ์กิลเลสม่านแล้วม่านมู่นัันบ่ได้กัศนะไปในตัวพอบ่ได้มาคือแก้เก็บตาย